วันนี้ไทยมีอะไรก็ว่ามนาะมาจากที่ไหนมาจากหนองมนครเอเคยมาป่ะไม่เคยสครั้งลแล้วได้ยินได้ฟัง ม, ม, มาจากที่ไหนไมาจากเพื่อนที่ตีอยู่ภัท ย, ยาอืเขาว่าอย่างไงรนะเขาไม่วาก็ชวนแค่ขเขามาเขาเคยลาย ไ, ไปตอนถวายจังหัน ะอาจาย์นะครับเนี่ยผมก็สนใจก็เลยมากราบ ก, ก็ไม่ทราบรายรเอียดนยครับเขามาดุย ด, ด, ดมาเนี่ยเขสนใจอะไรก็สนใจธรรมะแล้วก็จริงเจตนาคืออยามากราบะอาจานนะฮะแล้วก็จะได้ฟังเทศหรือว่าอะไรก็มกือว่เป็นบุญนะครั บ, รบทางโน้นมาจากที่ไหนกันพัทยา เคยมาหรือเปล่าเคยมาแล้วมากี่ครั้งหลายครั้งเลยตั้งแต่กี่เดือนกี่ปีมาสองสามเดือ น, นอสองสามเดือนแล้วรู้จักที่นี่ได้ยังไง คือถ้าจะฟังเทศก็ต้องมาวันเสาร์อาทิตย์เทศให้ฟังครับวันธรรมดาวันอื่นก็คุยกันไปถามตอบปัญหากันมีใครอยากจะถามอะไรไหมปัญหาเยอะปัญหาเยอะครับแต่ยึดไม่ออกมันมปนความหมายอยู่บเน็กลองเน็กดูไป เดี๋ยวจะรอสาธุอาจารย์ครับพอดีว่าอปัญญาผมได้มาที่นี่แล้วได้กลับไปนั่งภาวนาแล้วเกิดอาการแบบว่าตัวลอยแล้วก็บางครั้งรู้สึกตัวฟองโตเขาแล้หันมาถามผมว่าอาการอย่างนี้เป็นยังให้ผมบอกไม่รู้ต้องมาถามพอาจารย์ดูแต่ก็ไม่กล้าถามาอยากอยากทราบว่ามันเกิดจากอะไรครับก็เคยลองดูไหม เลืมตาขึ้นมาดูวมันพองจิงหรือเปล่าตาไม่ลืมอ่ะจนเราไม่เราไม่พิสูจน์เราจะไปรู้อ่ะมันหลอกเรารลยว่าเรามันเป็นของจริงก็มีแค่นั้นนะจิตเรามันมันจะคิดอะไรไปร้อยแปดพันประการนี้เราเราใช้สติปัญญาตรวจดูมันด้วยมันบอกลอยก็ลืมตาขึ้นมาดูเรานี้ลอยแล้วปล่ามันบอกว่าเออ พองก็ดูเรื่องมันทองจริงก็เปล่าพองได้ก็ดีไม่ต้องกินข้าวนะรอยได้ก็ดีก็ต้องดูเอาใสของนี้ปฏิบัติปล่อยให้มันมาบอกแเราเฉยๆอยู่ดีๆคนก็บอกยาเาเงินล้านมาให้นี่แล้วจะทํายังไงก็ต้องไปติดตามดูที่จะวมาให้ทริงก็เปล่าจะได้รู้ว่าพูดจริงแล้วพูดโกอง จิตเรามันก็เหมือนกันมั น, มนชอบหลอกชอบหลอนเรานั่งอยู่ไหนเปลียวๆคนเดียวผีมาเต็มไม่หมดนะถ้าอยู่กันเป็นผูกมันไม่มาจิตมันชอบหลอกชอบปรุงแต่งขึ้นมาเองหลอกเราเองแล้วเราก็ชอบไปเชื่อมันแังนเวลานั่งสมาธิมันมีอาการแปลกๆอะไรต่างๆขึ้นมาก็ ถ้าอยากจะรู้ก็ลืมตาขึ้นมาดูถ้าไม่อยากจะรู้อยากจะนั่งสมาธิต่อไม่ให้เสียสมาธิก็อย่าไปสนใจมันถ้าพุโทโธกับพุโทโธไปเรื่อยๆถ้าดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจอะไรต่างๆที่มันมาเกิดให้เรารักรู้ที่มันก็หลอกว่ามีใครอยู่ข้างหลังยังไปปีบคอเราอย่างนี้ก็ปล่อยมันบีบไปมันจริงหรือไม่จริงอ่ะ ใครเป็นคนบอกว่ามันจะไ่ป right? um ิีบคอเราเลยใช่ไหมนั่งสมาธิก็อยาให้เสียสมาธิเวลานั่งแล้วส่วนใหญ่มันจะกิเลสมันจะมาหลอกให้เราเสียสมาธิเพื่อใจของเราจะได้ไม่สงบเขาเรียกกิเลสมาธิเข้าใจไหมไม่ต้องไปสนใจถ้าเกิดมีตาที่ผู้ทิ่แลก็ ให้รู้ไว้เฉยๆไม่ต้องไปสนใจถ้ามันเป็นของจริงมันก็จริงอะถ้ามันไม่เป็นของจริงมันก็ไม่เป็นของจริงถ้าตาทิพไปเห็นเลขเข้าเย็อนนี้ไปแทงหวยถูกจะได้รู้ ว, ว่าตาเราแม่นตาตัทิพย์ถ้าแทางเราไม่ถูกก็จะรู้ว่าตาไม่แม่นก็มีเท่า น, นั้นแหละของอะไรพระเจ้าบอกปฏิบัติไปต้องใช้เวลาพิสูจน์ดู ไม่ใช่พออะไรโผล่ขึ้นมาก็คว้ามากคว้ามากก็ไปหลงตาบอกระวังเดี๋ยวไปควา้าเอาปลามาเดี๋ยวก็มีก้างติดปลามาด้วยเฮียต้องใช้ปัญญ า, าใจสติใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่ามันจริงหรือไม่จริงข้อสำคัญเวลานั่งสมาธินี้ไม่ต้องการให้ใจมัน เสียสมาธิมันกำลังพูดโทอยู่ก็พูดโธไปอะไรจะเกิดมาให้เห็นให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้เกิดอาการตัวพองเกิดอาการตัวหดปวดคันตรงนี้คันตรงนั้นก็อย่ามาสนใจเลยรู้สึกว่าเอียนไปข้างหลังเอยนไปข้างหน้าเลอเอยนไปทางซ้ายเอยนไปทางขวาก็ไม่ต้องไปสนใจเนทะ่าั ถ้าไปสนใจแล้วเดี๋ยวมันจะเสียสมาธิเดี๋ยวจะไม่นั่งได้นั่งสมาธิจะมานั่งยุ่งกับไปอาการต่างๆที่มันโผล่ขึ้นมาเ อ, อเราอย่าไปสนใจเราต้องการรวมใจให้เป็นหนึ่งการจะรวมใจให้เป็นหนึ่งนี่ต้องอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวหรือไม่เช่นนั้นก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าใช้ลมหายใจเข้าออกก็เพ่งดูลมไปเรื่อยๆ ไม่ต้องไปสนใจกับอะไรต่างๆถ้ายิ่งไปจนกว่าจิตมันจะรวมวุบลงไปแล้วนิ่งสงบสบายก็จ ะ, ะรู้ว่าจิตได้สมาธิแล้วจิตนิ่งจิตว่างจิตสบายจิตเิ่นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ไม่มีอารมณ์รักชังกลัวหลง อันนี้แหละคือจุดหมายปลายทางของการนั่งสมาธิไม่ได้นั่งเพื่อเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพูดผีปีศาจเห็นเทวดาเห็นอดีตเห็นนานากตเห็นอะไรต่างๆอันนี้มันเห็นได้สําหรับคนบางคนแต่ถ้าเรานั่งเพื่อความสงบเราอย่าไปสนใจเห็นก็รู้ว่าเห็นอย่าไปให้ความสําคัญกับมัน มันไม่เป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความความทุกข์สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทําให้ใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือความสงบความนิ่งของใจความสุขที่เกิดจากความสงบอุเบกขาอันนี้จะทำให้เราต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้เวลาออกจากสมาธิมา เวลาเกิดความอยากเราจะได้ใช้ความสงบนี้สู้กับมันถ้าเราไม่มีความสงบนี้พอเกิดความอยากนี้มันทนไม่ไหวไม่มีกำลังต้านพออยากจะดื่มกาแฟก็ต้องไปคว้ามักมาดื่มถ้าดื่มอะไรด้วยความอยากก็อย่าดื่มถ้าดื่มด้วยความจำเป็นก็ดื่มได้เช่นถ้าไม่ดื่มล้วจะตา ย, ยางี้ก็ต้องดื่ม อะไรที่ทําให้ไม่ดื่มแล้วจะตายก็น้ําเปล่านี่แหละถ้าลองไม่ได้ดื่มน้ําเปล่าดูสักพักเดี๋ยวร่างกายมันก็คอแห้งไม่นับประทานดื่มน้ําบ่อยๆเนี่ยไม่ไม่ได้ดื่มน้ํำนานๆเข้าเดี๋ยวมันก็ตายได้อย่างนี้ก็ต้องดื่มแต่ไม่ได้ดื่มด้วยความอยากอยากรดกาแฟอยากรดของเบียรของเหล้าไอ้ น, นี่ถ้าอย่างนี้มันเป็นตันหาความอยาก แล้วมันจะอยากไปเรื require, ่อยๆทำตามความอยากแล้วมันก็จะอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเวลาไม่ได้ทําก็จะทุกข์เวลาอยากดื่มไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์แต่ถ้าเราฝืนมันไม่ยอมทุกข์เพราะว่าเรามีความสงบมาช่วยได้มีความสุขที่เกิดจากความสงบมาสู้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้มันก็จะสู้กันได้มันก็จะฝืนความอยากได้ พอฝืนความอยากไปต่อไปความอยากมันก็ยอมแพ้ไปเองนี่คือวิธีการปฏิบัติขั้นที่สองเรียกว่าขั้นปัญญาต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าการทำตามความอยากนี่นำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่ความไม่พออยากแล้วได้คือก็อยากได้เป็นศอกได้สอกก็อยากจะได้เป็นวาได้แฟนคนหนึ่งแล้วก็อยากจะได้อีกคนหนึ่ง มันไม่มีวันพอได้อะไรมาแล้วอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทั้งนั้นต้องหยุดความอยากแล้วถ้าได้เกิดความอยากแล้วไม่ได้ทำตามความอยากก็ทุลนทุรายหงุดหงิดลาคาญใจโอโหง่าย <c oughs> อารมณ์บูดเบี้ยวแต่ถ้าไม่ทำตามความอยากไปสักระยะหนึง่งต่อไปมันก็หมดกำลังไป คนที่จะเลิกเล้าเลิกบุหรี่ได้ก็ต้องไม่สูบเท่านั้นเองเวลาอยากจะสูบ ก, ก็ไม่สูบมันแต่คนที่เลิกไม่ได้ก็เพราะว่าใจไม่มีความสุขพอที่จะทนกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความอยากมันเลยก็ต้องดิ้นกลับไปทำตามความอยากแต่คนที่มีสมาธิแล้วนี้ใจจะมีความสุขที่จะสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ พอสู้ก็มันได้ต่อไปความอยากมันก็จะเบาลงไปเบาลงไปฝืนมันไม่กี่ครั้งมันก็หมดกําลังแล้วลองฝืนดูทําอะไรอยากทําดูแล้วลองฝืนทําอย่าไปทํามันดูไม่นานเดี๋ยวมันก็หมดกําลังไปเห็นพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกพระอรหันต์จะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ท่านเป็นได้เพราะว่าท่านหยุดความอยากต่างๆได้ หยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดกามาตนหาภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเวลาอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะรู้สึกทรมานใจเมื่อคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้าหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะรู้ว่าอยากไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ทุกไปเปล่ากเอาเข้ามาเลยเข้ามาเลยมีกติกานะถ้าเด็กเข้ามาต้องนั่งนิ่งๆ น, นะถ้าส่งเสียงต้องเอาออกไปนะเออถ้าไม่นิ่งก็ต้องไปนั่งเล่นที่ที่จอดรถนั่นโดยนั่งข้างนอกก็ได้เด็กๆนั่งข้างนอกจะได้ไม่มารบกวนสมาธิของคนทูดคนฟังผู้ใหญ่จะเข้ามาก็ได้ แต่เนั่งนูดโทรศัพแล้วมันพูดโทหายไปแล้วเลยแค่ความว่างแล้วก็ดูความว่างไปเรื่อยๆแล้วก็มันว่างนานๆนลยนั่งว่างจะกว่ามันจะไม่ว่างมันเริ่มคิดก็พูดโทดันเข้าไปใหม่ให้มันว่างนานๆอย่าให้มันคิดปรุงแต่งเพราะเดี๋ยวมันคิดปรุงแต่งมันจะคิดไปทางความอยาก เราก็ดูความว่างไปเรื่อยๆเออก็อยู่กับความว่างไปถ้ามันว่างจริงกลัวมันจะไม่ว่างจริงมันเพอมีความถ้ามันคิดก็ต้องพูดทอพูดทอลหยุดมันไปให้มันว่างไปเรื่อยๆนานๆความว่างจริงๆแล้วมันต้องสุขมันต้องมีความสุขถ้ามันยังไม่สุขก็แสดงว่ายังไม่ว่างจริงถ้ามัน ที่ว่าพ น, นักมันจะมีเรื่องวิศวิจารณ์สติสุขเอกกตานอานั่นแหละมันต้องไปเล่งเอกิกกตาลมันถึงขั้นขั้นที่สี่เหมือนเข้าเกียร์รถเกียร์หนึ่งเกียร์สองออกรถตก็เข้าเกียร์หนึ่งไปก่อนพอรถวิ่งได้หน่อยก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สองมันจะได้วิ่งเร็วขึ้นจิตก็เหมือนกันพอจิตเริ่มต้นมันก็วิตกวิจารณ์พุทโธนี่แหละเรียกว่าวิศวิจารณ์ เวลาพุทโธนี่ก็เลยกําล uh ังว right. hmm. ิตกกําลังวิจารอยู่วิตกว่าเรากําลังพูดโธอยู่หรือเปล่าวิจารณอยู่ว่าเรากําลังพุทโธอยู่หรือเปล่าตึกตรองวิตกแปลว่าตึกวิจารณแปลว่าตรองติดก็นึกว่าเอ้ยตอนนี้พูดโธอยู่หรือเปล่าตรองก็ดูว่ากําลังพูดโธอยู่หรือเปล่าถ้าพูดโธอยู่ก็แสดงว่ากาลังตึกกาลังตรองอยู่อยู่กับพูทโธมีสติรู้อยู่กับพูดโธ ออยู่กับพุโทโธไปเดี๋ยวปิติกับสุขก็โผล่ขึ้นมาแล้วถ้าอยู่ต่อไปอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆต่อไปปิติก็หายไปสุขก็หายไปเหลือแต่เอกกตารมเหลือแต่อุเบขาถึงจุดนั้นแนละ้วมันก็จะสบายมีความสงบถึงจุดนั้นก็ให้มันอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะปรุงแต่งขึ้นมา ก็พุโทโธเข้าไปใหม่ถ้าทนไม่ไหวนั่งไม่ไหวสู้มันไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินพุโทโธก่อนเดินจงกรมพุโทโธพุโทโธไปพอเดินแล้วเมื่อย ก, ก็กลับมานั่งพุโทโธพุโทโธใหม่ให้มันรวมใหม่ขั้นตอนนี้ต้องทำสมาธิให้ชำนาญต้องเข้าออกได้ทุกเวลาที่ต้องการแล้วอยู่ได้นานๆานแล้วค่อยไปทางปัญญา ถ้ามีสมาธิชำนาญทางสมาธิแล้วสา ม, มารถเข้าออกได้ทุกเวลาที่ต้องการเวลาแล้วเวลาเข้าไปก็เข้าไปได้อยู่ได้นานเป็นชั่วโมงอย่างนี้พอออกมาก็จะมีกําลังที่จะมาสู้กับกิเลสเวลากิเลสเกิดความอยากอก็จะได้ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากเพราะความอยากเป็นต้น เกิดของความทุกข์ใจพอเกิดความอยากแล้วใจใจะกระวนกระวายนะต้องทำตามความอยากแต่เราเห็นแล้วว่าการทำตามความอยากมันไม่ได้นำไปสู่ความสงบมันนำไปสู่ความอยากเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องไม่เคยทำตามความอยากให้เห็นว่าสิ่งที่เราได้มามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดียวก็เสียไป เวลาเสียไปก็เสียใจเพราะมันไม่ได้เป็นของเราไปควบคุมไปสั่งให้มันเป็นของเราไม่ได้เสมอไปถึงเวลาเขาจะจากเราไปเราก็ห้ามเขาไม่ได้อย่าไปมีอะไรมีแล้วจะต้องทุกข์กับสิ่งที่มีไม่มีแล้วสบายกว่ามีภรรยามีสามีก็ต้องทุกข์กับภรรยาทุกข์กับสามีมีลูกก็ต้องทุกข์กับลูก ทุกหลายรูปแบบเวลาอยู่ด้วยกันก็ทุกทุกเพราะว่าต้องคอยดูแลกันห่วงใยกันกังวลกันแล้วเวลาจากกันก็ทุกอีกไม่ช้าก็เลยก็ต้องจากกันไม่มีใครอยู่ไปคู่กันไปอยู่ไปด้วยกันไปตลอดต้องมีวันสิ้นสุดนี่คือว่าอนิจจังให้ดูว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราว ต่อให้เป็นมาประธานาธิปดีเป็นมาหาจากกักรพรรดิเป็นอะไรถึงเวลามันก็จบมันไม่ได้เป็นไปตลอดเวลาเวลาต้องเสียก็จะทุกข์จะเสียใจแม้แต่ร่างกายนี้มีไ้กไรก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปที่มีร่างกายเพราะมีความอยาก อยากใช้ร่างกายนี้ทำตามความอยากอยากดูก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหูอยากดมกลิ่นลิ้นรสอยากจะสัมผัสอะไรผ่านทางร่างกายก็ต้องมีร่างกายมีลิ้นมีจมูกมก็เลยต้องกลับมาเกิดใหม่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปความอยากมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันยังฝังอยู่ในใจ มันก็จะฉุดลากใจให้ไปเกิดใหม่มันก็จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไปไม่มีวันจบสิ้นถ้าถอนความอยากออกจากใจได้หมดแล้วมันจะไม่มีตัวที่จะฉุดลากให้ใจไปเกิดใหม่จะถอนความอยากได้ก็ต้องมีปัญญาจะมีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อน ถ้าไม่มีสมาธิปัญญาก็เป็นความคิดปรุงแต่งเท่นั้นเองไม่สามารถที่จะไปหยุดความอยากได้ตอนนี้พวกเราก็มีปัญญากันแต่หยุดความอยากไม่ได้ยังต้องอยู่กับภรรยายังต้องอยู่กับสามีกันอยู่ถ้ามีสมาธิแล้วเลิกกันได้แยกทางกันได้อยู่ด้วยกันทุกข์ไปเปล่าๆแยกกันอยู่สบายกว่า คนที่ปฏิบัติถึงขั้นมีสมาธิแล้วเขาไม่อยู่กับใครแล้วเขาอยู่คนเดียวดีกว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบของใจอยู่ที่สมาธิไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้ไม่ต้องพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเมื่อไหร่ไม่เป็นปัญหา ก็มีที่พึ่งแล้วคือความสงบเนี่ยถึงต้องมาฝึกสร้างความสงบ ก, กันให้ได้สิ่งที่จะทำใจให้สงบ ก, ก็คือสติสติก็คือการละเลิกรู้อยู่กับอารมณ์เดียวเรื่องเดียวสิ่งเดียวเช่นละเลิกรู้อยู่กับพุทโธพุทโธละเลิกมันไปทั้งวันอย่าไปคิดถึงคนนั่นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้อยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ให้อยู่แค่นั้นกำลังเดินก็ให้รู้ว่ากำลังเดินถ้าไปคิดเรื่องนั้นเรงนี้ก็ใช้พุโทโธเดินกลับมาพุโทโธพุธโทโธไปต่อไปมันก็จะหยุดคิดเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบมันก็จะมีความสุขมีที่พึ่งพอมีที่พึ่งใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งของเก่า เหมือนคนได้แฟนใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปเพิ่งแฟนเก่าทิ้งแฟนเก่าได้ถ้ามีแฟนใหม่ก็ทิ้งแฟนเก่าได้มีรถใหม่ก็ทิ้งรถเก่าได้แต่ถ้ายังไม่มีแฟนเก่ายังไม่มีรถใหม่ใช้ของเก่าไปก่อนก็ยังดีกว่าแม้ว่ามันจะทุกข์ว่าอย่างน้อยก็ยังมีความสุขบ้า ง, งคือปัญหาของพวกเราที่ยังไม่มีสมาธิกันยังไม่มี ความสุขอันใหม่มาแทนความสุขอันเก่ า, าก็เลยยอมทนอยู่กับความสุขอันเก่าที่สุขบ้างทุกบ้างเวลาทุกก็ร้องโหม่ร้องไห้กันเวลาหายทุ ก, ก็ลืมไปหมดนี่คือปัญหาไม่มีไม่มีความสงบมาช่วยให้ถอดถอนความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ ถ้ามีความสงบแล้วใจจะมีกำลังที่จะถอดถอนความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายใ น, ในใจให้หมดไปได้ถอดถอนการมตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดถอดถอนภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นมันจะไม่สนใจแล้วมันเบือ่อ ไปอยากทําไมไปห้ามเขาได้ที่ไหน เ, เขาจะเป็นยังไงเราไปสั่งเขาได้เมื่อไรเาเวลาเขาจะดีเขาก็ดีขึ้นมาเวลาเขาไม่ดีก็ไม่ดีขึ้นมาเราไปอยากกระทุกไปเปล่าๆแค่เดียวกับความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากให้นั่นมันหายไปอยากให้นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้อยากไม่ให้ร่างกายมันแก่อยากไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตาย อยากไปจะมันตายก็เปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงความจริงของเขาไม่ได้เขาก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของเขานถ้าเราเห็นความจริงว่าเราไปทุกข์กับสิ่งต่างๆโดยใช่เหตุทุกข์ไปเปล่าๆทุกข์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็อย่าไปทุกข์ดีกว่าอย่าไปอยากดีกว่าปล่อยวางใครจะเป็นก็เป็นใครจะไม่เป็นก็ไม่เป็น ใครจะตายก็ตายกายจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเพราะเรายังไปพึ่งเขาอยู่ยังมีความสุขกับเขาอยู่พอต้องเสียเขาก็เราจะเสียความสุขไปพอเสียความสุขก็จะได้ความทุกข์มาแทนที่ก็เลยไม่อยากจะเสียกันเพราะตัวเองไม่มีความสุขในตัวเองต้องพึ่งความสุขภายนอก นี่ตอนนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามาสร้างความสุขในตัวเรากันดีกว่าเอความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอด<ช>พอมีความสุขันนี้แล้วก็ปล่อยทุกเรปล่อยทุกอย่างได้หมดยัง่รคโรคมี่ความสุขก็คือความพอใจถูกไหมล่ะก็ไม่รู้เนละพอใจเรื่องเพื่อนพอใจก็ไม่รู้ล่ะมันมีความสุขหรือเปล่าะ ผมมองว่ามันน่าจะแค่ความพอใจมากกว่าเราไม่มาเถียงกับคำว่าสุขหรือความพอใจคว่าพอใจก็พอใจอออือก็ออไม่เป็นปัญหาอะไรพอเวลาไม่มีแล้วมันพอใจหรอือเปล่ามันไม่พอใจแล้วมันทุกข์มันสุขแล้วมันทุกข์อะเวลามันพอใจมันสุขแล้วมันทุกข์อะมันก็คาเดียวกันนั่นแหละไม่เถียงกันทําไม ไม่ไม่จะไม่จะต้องแยกอ่ะมันไม่มีทางที่ต้องแยกมันก็รู้ว่ามันสุขรือมันทุกข์แค่นั้นเองแยกไปทําไมหยุดมันสิหยุดมันไปพอใจทําไมพอใจเวลามันหมดไปมันเออให้ดูว่ามันไม่เที่ยนดิค่ะอย่าไปดูว่ามันพอใจหรือสุขไปแยากไปทําไมทำไมมันไม่เป็นประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่ามันทุกข์หรือมันไม่ทุกข์ ถาว่าไงมาจากที่ไหนกันพาเด็กมาทั้งขยงเลยฮะเราอยู่ที่พัทยามาเที่ยวพัทยามาจากกรุงเทพอ่ช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมโรงเรียนวันหยุดอะ่ะวันเด็กอะ่ะ ออสเตรเลียอีกคนนึงไม่ใช่เหรอเออเป็นเพ er. ื่อนกัน มีต้องการอะไรหรือเปล่าอันนี้มาที่นี่ฟังแล้วไปปฏิบัติหรือเปล่าทา น, นี่สอนให้หยุดความอยากนะให้ละความอยากเพราะความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกขนะ์ละได้ไหมละ่ะอยากดื่มกาแฟก็อย่าดื่มได้ไหมอยากดูหนังก็อย่าไปดูได้ไหม อยากดูละครก็อยากไปดูได้ไหมถ้าไม่ได้ฟังไปก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาไม่เกิดประโยชน์อะไรฟังแล้วต้องเอาไปทําเหมือนมารับยาจากหมอแล้วไม่กินหมอก็ไม่รู้จะให้ยาไปไหนเสียดายยาให้แล้วก็โยนยาทิ้งไปหมดมันขมไม่อยากจะกินชอบกินขนมมากกว่าอะสัญญาเลย อย่ามาสัญญากับพระนะเดี๋ยวโกหกพราเม่ก็ขอให้รู้ว่าความทุกข์ทั้งหลายมันอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ความอยากความต้องการของเราเนี่แหละมันไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกพออยากอะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจโกรธถ้าไม่อยากแล้วก็จะไม่มีควันไม่มีวันเสียใจไม่มีวันโกรธใคร เั็นั้จะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อนจะมีสติได้ก็ต้องมีสีนิแปดก่อน ร, ก น, น, น, รนรักษาสีนิแปดได้ยังวันนี้วันพระมารักษาสีนแปดกันได้ไหมไม่กินข้าวเย็นไม่นอนกับแฟนไม่ดูละครไม่ออกไปเที่ยว ข้างนอกบ้านะข้างนอกวัไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากไม่นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆนอนกับพื้นแข็งๆเพื่อจะได้นอนไม่มากนอนพอพักผ่อนร่างกายถ้านอนบนฟูกหนาๆมันจะนอนเกินเวลามันจะเสียเวลาจะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลามาทำใจให้สงบกัน คนที่จะปฏิบัติธรรมต้องถือศีลแปดก่อนศีลแปดจะได้มีเวลาไม่เงินเดียวก็เอาเวลาไปดูละครกันเอาเวลาไปกินอาหารกันเอาเวลาไปร่วมหลับนอนกันเราจะไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบกันถ้าอยากจะมีเวลาก็ต้องถือศีลแปดเพราะศีลแปดจะห้ามไม่ให้ไปทํากิจกรรมต่างๆทางร่างกาย ให้เอามานั่งสมาธิทําใจให้สงบถ้ามีศีลแปด ก, ก็จะมีเวลาแล้วพอมีศีลแปด ก, ก็ต้องไปหาสถานที่ที่สงบที่ไม่มีคนพลุกพลาดถ้าอยู่กับครอบครัวอย่างนี้ปฏิบัติไม่ได้เดี๋ยวลูกคนนั้นก็ร้องลูกคนนี้ก็ร้องขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้จะมานั่งพุทโธพุทโธคนเดียวก็นั่งไม่ได้ต้องไปหาที่สงบอยู่คนเดียว ที่จะได้ควบคุมใจไม่ให้คิดให้นิ่งให้สงบนี่หละคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างความสุขทางใจต้องมีศีลแปดแล้วก็ต้องมีที่สงบที่สงบที่ไหนก็ได้เป็นวัดก็ได้ไม่เป็นวัดก็ได้ไม่สำคัญเพราะวัดสมัยนี้บางแห่งก็ไม่สงบ มีงานศพมีสาราสวดสบมีอะไรต่างๆถ้าไปอยู่ไปปฏิบัติที่วัดแบบนั้นก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ต้องไปปฏิบัติตามวัดป่าวัดเขาที่ไม่มีกิจกรรมอะไรนอกจากการนั่งสมาธิกับการปฏิบัติธรเดินจงกรมองไปหาที่อย่างนั้นเพื่อจะได้ สร้างสติขึ้นมาสติก็คือการจดจ่อใจให้อยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เชนให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปทําอะไรก็พุทโธควบคู่กับการกระทําไปพอว่าไม่มีเวลาไม่ต้องทําอะไรก็มานั่งหลับตาพุทโธพุทโธถ้าสติดีไม่ใจไม่ลอย ใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่เอกาตารมได้เอกคกกตารมได้เข้าสู่ความเป็นหนึ่งเอกขัคตาคำว่ามาจากคําว่าเอกกับอารมณ์อารมณ์เป็นหนึ่งตอนต้นก็บังคับให้อยู่กับพุโทโธพอบังคับไปนนานๆมันก็จะเป็นหนึ่งเท่เราพุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆมันก็หายไปเองเลยมันก็เจอ วาถ้ามันว่างจริงพุทโธมันก็หยุดไปเองแต่ถ้ามันมันสติมันเถลอไปพุทโธมันก็หายไปได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ว่างหรือมันสติเผลอสติหลับสับสงบไปก็ได้มันก็มันก็หายไปเหมือนกันแต่หายแบบไม่รู้ไม่รู้เหี๋ยวรู้ปารู้ต้น เรลืมตาขึ้นมาทีเอาหลับไปนีวะมันเป็นบ่อยแกล้งถ้าเรื่องหลับก็ต้องไปหาที่น่ากลัวนั่งเลยที่มันเนที่ไหนมีผีที่ไหนมันน่ากลัวมันก็จะไม่หลับเลไปนั่งหน้าปากเขวเลยสับประโคมกก็ถ้าสับประโคอกก็ทิ่มตกเหวไปเลยเไปนั่งในป่าเช้าด้วย ไปนั่งป tamam. okay. ่าชาแถวชมบุรีมีเยอะแยะเนี่ยสุสานไปเลยบ้านเบิงตอนคืนไปนั่งสมาธิคนเดียวเอากดไปกลางไว้เขาไม่กลัวผีอ่ะเขาบอกเขาไม่กลัวผีก็ไปสิไม่กลัวทำไมไม่ไปนะสบาดีกว่า๋ยวพักหลังเลยผมทำผมก็ได้บ่ายแล้วจะหลับบ่อย อ็응เลยก็ต้องถือสินแปดสินแปดมันจะช่วยคือให้กินข้าวให้น้อยหน่อยไม่ให้ก well. ินมากกินพอเที่ยงวันไปแล้วเดี๋ยวสักบ่ายๆมันก็หายง่วงแล้ะมันจะง่วงสักสองสามชั่วโมงหลังจากที่กินข้าวพอหลังจากนั้นแล้วมันก็จะหายง่วงถ้ายังง่วงอยู่ก็ต้องอดอาหารไปเลยนักปฏิบัติบางคนเขาจะใช้การอดอาหารช่วยอดทีละสามวันห้าวัน เด่นแต่น้ำเปล่าหมือเดินแต่น้ำผลไม้อยีจะไม่แต่ต้องอาหารใจจะเบานั่งจะไม่สับประกสติจะดีแล้วมันจะป้งคับให้ภาวนาเพราะถ้าไม่ภาวนาไม่ใจไม่สงบแล้วมันหิวมันจะคิดอยู่กับเรื่องอาหาร ต้องภาวนาในเวลาคิดถึงเรื่องอาหารก็ต้องคิดถึงสภาพของอาหารที่ไม่น่าดูอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากเวลาเข้าไปในปากเคี้ยวกับเเคี้ยวกับฟันผสมกับน้ําลายแล้วอร่อยไหมอร่อยนะแล้วลองคายมันออกมาดูคายออกมาใส่ไปในจานใหม่แล้วก็ตักมันเข้าไปกินใหม่ดูว่ากินได้ไหม เวลาอยู่ในปากมงนมองไม่เห็นหน้าตามันนะแสนอร่อยนะพอขอดูหน้าตามันหน่อยไม่เอาแล้วเนะนี่ยต้องดูว่าสุภาพวามไม่สวยงามของอาหารปฏิกูลนงนึกถึงเวลาที่มันเข้าไปในปากเข้าไปในท้องเวลาออกมาจากทวารหนักนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันจะไม่หิวมันจะอดได้มันจะทนได้ แต่ถ้าไม่คิดอย่างนี้เดี๋ยวไปคิดถึงอาหารอยู่ในจานพิซซ่าเอ่ยบะหมี่เอ่ยก๋วยเตี๋ยวเอ่ย<ส><ส>เห็นควันโชยขึ้นมากิ่นโชยขึ้นมาโอ้ยขาดใจตายให้ได้นะคนที่อดอาหารจะต้องมีเครื่องมือไว้ไสู้กับความหิวต้องระลึกถึงความสกปรกความไม่น่าดูของอาหาร เวลามันเข้าไปอยู่ในปากเวลาอยู่ในท้องเวลาอาเจียนออกมาเนี่ยมันก็อาหารทั้งนั้นไม่ใช่ที่เรากินเข้าไปถ้าถามว่านั่งเวลานานนั่งไปเวลานาแล้วมันปวดเมื่อยเมืยขนานอ่าเี้ยเราก็ดูไปดยเรื่อยอย่าไปดูอยู่กับพุทโธไปเรื่อยถ้าไปดูเหลี่ยมมันอยากให้มันหายพออยากก็ยิ่งอยากยิ่งยิ่งจะเจ็บใหญ่ เจ็บสองชั้นเจ็บที่ไม่ไม่ต้องไปรู้มันไม่ต้องไปสนใจมันว่ามันยังยังไม่มีกําลังที่จะไปรู้มันได้พอเป็นรู้ปั้มมันก็อยากให้มันหายอยากดูหัวอจอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปถ้าไม่ไปสนใจมันนะมันก็จะไม่ไปมีความอยากให้มันหายมันจะมันจะเจ็บขนาดไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเรื่องของเรื่องของเรื่องของร่างกายไอใจไม่ไปทุกข์กับมัน ที่ทนไม่ได้ไม่ใช่ความทุกข์ของร่างกายมันทุกความความทุกข์ของใจที่เกิดจากความอยากให้มันหายหรืออยากจะลุกเอะไยเนี่ยความอยากตัวนี้มันเป็นตัวที่ทรมานใจแต่ความทุกข์ของของความของร่างกายมันไม่ได้เปนนาสาหัสสาหัสกันอยู่ได้อยู่กับมันได้เพียงแต่หมอบอกจะฉีดยาท่านี้ใจมันทุกข์ไปก่อนแล้วใช่ไห้ยังไม่ทันเอาเข็มมาทิ้มเลย เองแเดี๋ยวต้องฉีดยาสักเข็มแล้ใจมันไปแล้วใจทุกไปก่อนนะเพราะไม่อยากจะเจ็บเลยแต่พอฉีดเข้าไปจริงๆไม่เหคยหมันเจ็บที่ไหนก็เหมือนกับเหมือนกับมดกัดรับเดียวนี่คือเรื่องของใจความทุกข์ของใจเป็นความทุกข์ที่ใหญ่หลวงเป็นความทุกข์ที่ทําให้เราทุกข์กันความทุกข์ของร่างกายนี้ ไม่ใหญ่หลวงถ้าใจมีความนิ่งความสงบแล้วอยู่กับมันได้สู้กับมันได้ในเบื้องตน้นถ้ายังไม่มีสมาธิก็ต้องใช้สติสู้กับความเจ็บของร่างกายไปก่อนอย่าไปดูความเจ็บให้ท่องพุทโธพุทโธไปจนจิตสงบพอจิตสงบแล้วความเจ็บของร่างกายจะรู้สึกนิดเดียวความเจ็บส่วนใหญ่เกิดจากความไม่สงบของใจ ความอยากให้มันหายไปอันนี้ขั้นแรกวิธีแรกวิธีที่ต่อสู้กับทุกขเวทนาแต่เป็นวิธีที่ไม่ถาวรเจอทีไยก็ต้องใช้พุโทโธไปเรื่อยๆถ้าอยากจะแก้แบบถาวรแก้หนงเดียวจบไม่ต้องมาทำใหม่ก็ต้องแก้ด้วยปัญญาอันนี้ก็ต้องมีสมาธิก่อนเมืมีสมาธิแล้วก็จะมีกำลังพิจารณาแยกแยะความเจ็บกับ ของร่างกายกับความเจ็บของใจได้จะเห็นว่าความเจ็บของร่างกายมันเป็นอนัตตาไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ส่วนความเจ็บของใจนี่เกิดจากความอยาก<ม>ก็หยุดความอยากเลยความอยากนี่เราหยุดได้อย่าไปอยากให้มันหายมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปพอหยุดความอยากได้มันก็จะไม่กลัวความเจ็บอีกต่อไป ต่อไปเจอความเจ็บกี่ครั้งก็จะเจ็บเพียงที่ร่างกายมันจะมันจะไม่เจ็บมาถึงใจเพราะมีปัญญาคอยคอยรักษาใจไว้นี่คือวิธีแก้ปัญหาอย่างถาวรต้องแก้ด้วยปัญญาแต่ถ้ายังไม่มีสมาธิก็ต้องใช้สติเป็นตัวแก้ไปก่อนพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บ เช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆนะเวลาทุกข์กับเรื่องอื่นๆก็ใช้พุโทโธช่วยได้หมดใครด่าเราก็พุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปฟังเสียงคดาด่าเขากลัวผีก็ไม่ต้องไปคิดถึงผีให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปพออยู่กับพุโทโธไปจิตนิ่งสงบความกลัวผีก็หายไปความโกรธที่คนเขามาด่าเราก็จะหายไปแล้วเราก็จะรู้ว่าปัญหาอยู่ที่ใจเราเองไม่ได้อยู่ที่เขา เขาจะด่าเราไงถ้าเราไม่ไปสนใจสัอย่างเขาก็มาทำให้เราทุกข์ไม่ได้ที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขาด่าเราใช่ไหมที่เราทุกกับผีเพราะเราไม่อยากจะเจอผีกันเราคิดถึงผีก็กลัวแล้วไม่อยากจะเจอมันเราต้องมาหยุดความอยากให้ได้ถ้ายังไม่มีปัญญาก็ใช้สติหยุดไปก่อนพุทธโธพุทธโธไปก่อนกับทุกเรื่องเลยทะเลาะกับใครมาอารมณ์ไม่สบายใจก็พุทธโธพุทธโธไป เดี๋ยวมันก็ลืมลืมแล้วมันก็หายทุกข์ใจทุกข์เพราะอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้พอเขาไม่ทําก็จะเสียใจทุกข์ใจแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ก็มาเปลี่ยนแปลงเราดีกว่ามาทำใจเราให้หยุดความอยากดีกว่าโดยการพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอลืมเรื่องเขาไปแล้วใจก็หายทุกข์การพุโทโธนี่ใช้ดับความทุกข์ได้ทุกรูปแบบ ทุกทุกชนิดแต่เพียงแต่อยุดได้ชั่วคราวเท่านั้นเองถ้าอยากจะหยุดอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาหยุดความอยากอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เขาอยากจะเป็นอย่างนี้ปไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่เป็นล้วก็ทุกข์ถ้าเราไม่อยากเขาจะเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยก็เป็นอย่างนี้ไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเขานี่คือวิธีแก้ปัญหาด้วยปัญญา ให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาสัพเพธรรมาน ต, ตาคือไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเราไม่ใช่เป็นเราของเราอนิจามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่ถาวรถ้าไปอยากให้มันถาวรก็จะทุกข์เวลาเขาจากเราไปก็จะเสียใจแต่ถ้ารู้ว่าเขาต้องจากเราไปไม่มีความอยากเขาจะจากก็ไม่ทุกข์ นี่คือปัญญาพยายามปฏิบัติไปเบื้องต้นก็สีนก่อนสีนแปดแล้วก็หาที่สงบปฏิบัติจเจริญสติทำใจให้รวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาทำให้บ่อยๆทำให้ชำนานพอชำนานแล้วออ ก, ก็ต่อไปก็ออกไปทางปัญญา ทุกอย่างว่าเป็นอนัสตาไม่ใช่ของเราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้เป็นอนิจจาจะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดก็ไม่ได้จะไม่ให้เขาเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ต้องยอมรับกับความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างใจก็จะไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็จะไม่มีความทุกข์นี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรม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 จันโทปนะระโสยทามณิโจติระโสยทาสพีิติโยวิวาจันตุสัพพโรโกวินัสตุมาเตปวัตวันตราโยสุขีทีคาโยโกภะวะอรพิวาธนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโน จตารโหมมาวทานติอายุวันโนสุขังภาลังการอยากจะถวายอะไรก็เข้ามาได้นะเมื่อสองวันที่แล้วก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งเขามากราบของแฟนเขาทำดึกเช้า ครอบครัวนั้นเขาปฏิบัติดีมาก เ, เขาสนใจมากสามีใช่เจ้าค่ะชือสิงแปเดือนหนึ่งประมาณสามอาทิตย์คือสิงห์สอยู่ประมาณให้กี่วัน เ, เ อ, อ, เ อ, องครับแสดงว่าเขามีศรัทธามากมีพลังจิตมากก่อนที่จะปฏิบัติธรรมต้องมีพลังจิตถึงจะปฏิบัติได้ เพอาพันฝ่าต่อสู้ต่อความอยากถือสินแปดนี่ไม่ใช่ของง่ายนะไม่ง่ายไม่ใช่ไม่ง่ายเลยย่งว่าจะแปดสินห้าบางทีก็ยังยังถือไม่ได้นะบอกว่าแต่ถ้ามีคางพยายามก็จะถือได้พยายามฝึกทำไปมันนวิ่งมาราธอนหัดวิ่งไปเรื่อยเเดี๋ยวมันก็วิ่งได้พยายามถือสินห้าให้ได้ก่อน แล้ววันพัก็มาเถือศีนแปเอาทัธิละวันก่อน ถ้าจากนมัตการท่านอาจารยทุกคนถามคำถามนี้ไ<อ>ด้ไหมคะคือพอดีกำนังสงสัยว่าทุกทีพัดนานจะพุโทโธไปแต่คราวนี้เวลาพุทธโทจะพยายามเพ่งที่ปลายจมูกแล้วอยู่ดีก็นั่งนิ้ขึ้นมาเอ๊ะเราจะเป็นต้องเพ่งหรือว่าเราอยู่กับพุทธโทรโดยไม่ต้องดูอะไรเลยอบ น, นั้นมันสบายกว่าเราอย่างนั้นแบบไหนสบายก็ได้ทั้ค<อ>ูใ<ช>่ใได้ัคู่แล้วถ้าเรามีอารมณ์ที่รู้สึกเรานั่งไปแล้วเราสบายเราไปพอใจกับมนันให้กลับมาให้พุทธโทอย่ามีสบายาตา ม, ตาม เ, เจนกว่ามันจิตจะรว ม, มถ้ารวมแล้วมันหยุดพุดโธเองมันจิตจะนิ่งสงบถ้ามันสบายมันยังไม่สงบก็ อ, อย่ากให้หยุดก็อยากคือยากให้หยุดพุทโธพุทโธไปเรื่อยถ้าพูดโธ<ง>ได้พุดโธไปก่อนถ้ามันสงบจริงๆแนละ้วมันจะหายมันจะหยุดพุดโธไปเองมันจะรู้ว่าไม่ต้องพุดโธรอพุดโธไปเรื่อยเลยไม่ต้องไปพยายามหยุดเอดี๋วให้มันหยุดของมันเองเลยมันจะหยุดเหมืนกระตกหลุมตกบ่อซุบแล้วมันก็นิ่งมันก็จะหยุดไป มีคำถามอันนึ่ง ไ, ไม่ได้เกี่ยวกับภาวนาค่ะแต่แค่สงสัยมาทำงานว่าถ้ามนุษย์อะค่ะมันเป็นบุญกับบาปเท่ากันแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์อะค่ะแล้วทําไมพอเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคนหนึงมาถึงถึงสามารถฆ่าคนหรือทําร้ายอะไรหรืออีกคนนึงก็ใจบุญต่างกันได้ขนาดนั้นนะคะมันก็แล้วแต่อารมณ์นะอารมณ์ของเรายัางไม่แน่นอนถ้าอารมณ์ดีก็ไม่ก็ทําดีพออารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็ทําบา ต้องมีสติคอยควบคุมอารมณ์ไม่ดีเพราะฉะนั้นการที่เกิดมดันหนก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนไปได้หีือเรื่อยๆ<น>เลยใช่ไหมใครมาแย่งแฟนเนี่ยมันก็โกรธขึ้นมาได้ถ้ามันอยู่กับความสมหวังมันก็จะคิดมันก็อารมณ์ดีมันก็ไม่คิดไปทําบาปตอนไปเจออารมณ์ไม่ดีไปเจอเหตุการณ์ไม่ดีเข้ามันก็อารมณ์เสียได้เพอะไม่มีสติก็เลยคุมตัวเองไม่ได้เลยทำบาไปไก็ทำบาปไปก็ยังขึ้นๆลงๆอยู่ เพราะสติยังไม่มีกําลังที่จะควบคุมการกระทําผิดศีลถ้ามีสติมีกําลังมากพอก็จะสามารถห้ามไม่ให้ทําบาปไดไ้ต้องฝึกสติให้มากๆแล้วเวลาจะทําอะไรมันจะคุมได้ <c oughs> ก็จะรักษาใจให้เป็นมนุษย์ <c oughs> เป็นเทวดาไปได้เลย <c oughs> <ๆ>ไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉาน เวลาถ้าเราถ้าถ้าเราถ้าเราพูดโทรมากมหรือเจอสต็ปมากมากค่ะเราจะคิดมันคิดช้านี่มันเหมือนคิดช้ามันชะคิดมันก็ไม่ให้มันคิดอย่าไ่คิดมันทําไมให้มันหยุดคิดมันไม่ช้าหรอกเวลามันจะคิดจริงๆเห็นขนมเนี่ยมันพูดเดียวเฉย มันไม่ช้ากลเรื่องเรื่องธรรมะมากกว่าอเรื่องกินอะไมันไม่ช้าหรอกเรื่องินเรื่องเล่นมันเร็วจะตายเลยเรื่องทางานมนช้าเฉ <c oughs> ย <c oughs>